เกิดจากโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลปาระโตโคละที่ดีหรือกัลยาณมิตรอาจช่วยได้เพียงด้วยการกระตุ้นให้บุคคลนั้นใช้โยนิโสมนสิการแล้วรู้เห็นเข้าใจเองหมายความว่าสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงด้วยการรับฟังแล้วเชื่อตามคนอื่นด้วยศรัทธา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 เป็นการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเองแท้ซึ่งมีสภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกันทุกทินฐานทุกกาลและสมัยโดยในยะานี้สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเป็นโลกุตระคือไม่ขึ้นต่อการไม่จำกัดสมัยเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวกันจำเป็นสำหรับปรีชาญาณและความหลุดพ้นในทุกทินทุกกาลเสมอเหมือนกัน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 ตามความหมายอย่างที่สองนี้ในขั้นที่เป็นของปุตุชนว่าสัมมาทิฏิแนวโลกุตระซึ่งเรียกตามอัตถกถาว่าวิปัสนาสมมาทิฏฐิเรียกตามบาลีเดิมว่าสัจจานุโลมิกยานแต่ในชั้นอัตถกถาท่านใช้สัจจานุโลมิกยานหมายถึงขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณ9ก้าโดยเฉพาะ เพิ่งเห็นความสำคัญของสมาธทิที่เป็นโลกุตระหรือแนวโลกุตระนี้ว่าเป็นธรรมะที่มีผลลึกซึ้งกว่าโลกิยะสมาธิมากสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพอย่างที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนสมาธิระดับนี้เท่านั้นจึงกำจัดกิเลสได้มีใช่เพียงกดข่มหรือทับไวและทาให้เกิดความมั่นคงในคุณธรรมอย่างแท้จริง ไม่แก่งไกวไหวโอนไปตามค่านิยมที่สังคมหล่อหลอมเพราะมองความจริงผ่านทะลุเลยระดับสังคมไปถึงสภาวะธรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วจึงไม่เต้นสายไปกับภาพรุงแต่งในระดับสังคมความที่ว่าในตอนนี้มีความหมายสำคัญในแง่ของการศึกษาด้วยเพราะจะเป็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการของบุคคลว่าควรจะสัมพันธ์กับสังคมและธรรมชาติอย่างไร ควรได้รับอิทธิพลหรือได้รับประโยชน์จากสังคมและธรรมชาตินั้นแค่ไหนเพียงไรอันหนึง่งดังที่ทราบอยู่แล้วว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเกิดจากโยนิโสมนสิการยยนิโสมนสิการจึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งควรย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งว่าตามปกติ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 อารมณ์ของตนเองความจริงทั้งค่านิยมที่ผิดและอารมณ์ในความหมายสมัยใหม่หรืออีโมชันล้วนเนื่องด้วยตันหาทั้งสองอย่างแต่ต่างกันที่ว่าอย่างแรกเป็นตันหาซึ่งปรุงแปลงหรือแต่งตัวแล้วอย่างหลังเป็นตันหาสดถ้าเมื่อใดปุถุชนไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของค่านิยมเช่นนั้น เขาก็จะตกเป็นทาตของตัณหาที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่าอารมณ์ของตนเองแต่โยนิโสมนัสิการช่วยให้หลุดพ้นได้ทั้งจากอิทธิพลของค่านิยมทางสังคมและจากความเป็นทาตแห่งตัณหาหรืออารมณ์กิเลส ข, ของตนเองทาให้มีพฤติกรรมอิสระที่เป็นไปด้วยปัญญาจึงอาจพูดสรุปได้ว่า อุถุชนจะคิดจะทำการใดๆก็ตามหากขาดยทนิโสมนสิการเสียแล้วถ้าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของค่านิยมจากภายนอกก็ยอมตกเป็นทาตแห่งตัญหาของตนเองเมื่อใดมีโลกุตระสัมมาทิฐิเมื่อนั้นเขาก็จะหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้อย่างแท้จริงเมื่อใดทิฐิกลายเป็นสัมมาทิฐิเมื่อนั้นก็จัดเป็นปัญญา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 ต่อจากนั้นไปแม้ว่าความเห็นหรือความเชื่อนั้นจะกลายเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่เรียกว่ายานแล้วก็ยังคงเรียกด้วยชื่อเดิมว่าสัมมาทิฏฐิได้เรื่อยไปเพื่อความสะดวกในการมองเห็นความเจริญเติบโตหรืองอกงามที่ต่อเนื่องกันโดยในยานนี้สัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายกว้างขวาง คลุ่มตั้งแต่ความเห็นและความเชื่อที่ถูกต้องไปจนถึงความรู้ความเข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริง